สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้พระเจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศษพระธรรมหนึ่งพงศษข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่9นะครับซึ่งเป็นข้อที่เราจะได้ยินได้ฟังในหลายวันนี้โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้ า, อ, จาอาหับเล่าทุกสิ่งที่เอริยาทําให้พระนางเยเซเบลฟัง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 ชวนเขาเองเดินทางเข้าไปในถิ่นกันดารแต่ลาพังร้อนแรมตลอดวันแล้วเขาก็พบต้นซากต้นหนึ่งจึงนั่งลงใต้ต้นซากนั้นและอธิษฐานให้ตัวเองตายเสียเขากล่าวว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพรองทนมามากพอแล้วขอทรงเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเถิดข้าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษของข้าพระองค์แล้วเขาก็นอนลงใต้ต้นซากและหลับไป ท่นใดนั้นมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาแตะต้องตัวเขาและบอกว่าจงลุกขึ้นและรับประทานอาหารเอริยามองไป ร, บรอบๆและเห็นว่ามีขนมปังผิงอยู่บนก้อนหิ น, น, นร้อนๆและมีน้ำเหยือกหนึ่งอยู่ข้างศีรษะเขาจึงรับประทานขนมปังดื่มน้ำแล้วล้มตัวลงนอนอีกทูตขององค์หุ่นเจ้ามาอีกครั้งหนึ่งแตะต้องตัวเขาและบอกว่าจงลุกขึ้นและรับประทานอาหาร เพราะการเดินทางครั้งนี้เกินกําลังของท่านเอลิยาจึงลุกขึ้นรับประทานและดื่มทาให้เขามีกําลังวังชาพอที่จะเดินทางเป็นเวลา40วัน40คืนจนมาถึงโฮเรบภูเขาของพระเจ้าเขาเข้าพักแรมค้างคืนในถ้าแห่งหนึ่งแล้วพระเจนะขององค์พระเจ้ามาถึงเขาว่าเอลิยาเอ๋ยเจ้าทําอะไรอยู่ที่นี่ พี่น้องครับในชาวันนี้เรามาดูกันครับว่าในอีกมุมมองหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตของเอลิยาเอลิยานั้นซึมเศร้าจนคิดฆ่าตัวตายพี่น้องครับความซึมเศร้าของเอลิยานั้นมันเกิดจากความอ่อนแอของเอลิยาความอ่อนแอของเอลิยานั้นมาจากความกลัวครับเพราะเนื่องจากว่าเยซเบลซึ่งไม่ได้อยู่ในการพนานขันต่อบนภูเขาคามเมล สามีก็คืออาหับขษัตย์อาหับนั้นรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นความเกลียวกราดของเยเซเบลนั้นก็ฟาดหัวฟาดหางครับมายังผู้เผยพระชนะทั้งหลายเขาส่งข่าวไปถึงเอริยาและเมื่อเอริยาได้รับคำคขู่ฆ่าภายใน24สชั่วโมงครับถือว่าเป็นการแก้แค้นแทนคนของ นางเยเซเบล450คนซึ่งเป็นผู้นัสการพระบาอันเป็นปูรุหิตที่นำประชากรของพระเจ้าไปกราบไหว้บูชานัสการบาอัน450คนเนี่ยตายไปแล้วครับถูกเอลียาและประชาชนฆ่าตายหมดทำขู่นี้ครับมีผลครับทำให้เอลียาหวาดกลัวตรงกันข้ามกับที่ท่านเคยให้กำลังใจผู้หญิง หญิงหมยชาวสารฟัตว่าอยากกลัวเลยในบทที่17ข้อ1ิพี่น้องคงจำได้นะครับเอลิยาให้กำลังใจหญิงไม้ว่าอยากกลัวเลยแต่ตอนนี้ครับเอริยากลัวครับพี่น้องครับเราจะเห็นได้ว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าก็เกิดความหวาดกลัวได้เกิดความหวาดกลัวได้เกิดอารมณ์สมซึมเศร้าได้เกิดอารมณ์อยากฆ่าตัวตายได้แม้ตัวท่านเองพึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าพระ บาอันเนี่ยที่นางเยเซเบลยกยกมาสาบานที่จะฆ่าตัวเองภายในยิบสีชั่วโมงนั้นเป็นพระเทียมเ ท, ท็สที่ไม่มีอำนาจอะไรเลยพี่น้องครับนี่คือความกลัวที่เกิดขึ้นกับเอริยาเราจะเห็นครับเป็นไปได้ในหลายๆโมเมนต์หลายๆเหตุการณ์ที่เพิ่งจะประสบความสำเร็จมาหยกๆยกครับแต่ว่าผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นก็ เกิดความกลัว ค, คําขู่แต่ความกลัวนี้เองนะครับอาจจะเกิดขึ้นหลังจากความสําเร็จเยอะแยะมากมายครับประสบการณ์ในอดีต3ปีครึ่งที่กันด้านอาหารพระเจ้าก็ตอบคอําอฏิษฐานเมฆเท่าฝ่ามือเอริยาก็รู้ครับและมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายแต่ในบางโมเมนต์บางเวลาความกลัวเกิดขึ้นได้ความอ่อนแอเกิดขึ้นได้ท่านจึงหนีไปครับ การหนีไปของท่านนั้นก็คือหนีจากเหนือสุดไปใต้สุดเลยครับไาเข้าไปในแผ่นดินถิ่นทรกันดารซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาซีนายหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าโฮเรบภูเขาของพระเจ้าวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่าความหวาดกลัวนะครับที่เกิดขึ้นนั้นก็กลัวอะไรครับกลัวจะมีสายสืบของนางเยเซเบลท่านก็สั่งคนใช้ให้รอคอยอยู่ ส่วนตัวเองก็เดินทางต่อไปเข้าไปในทะเลทรายอีกด้วยไม่อยากให้คนอื่นรู้ครับพี่น้องครับความหวาดกลัวก็นำไปถึงการระแวงครับการระแวงก็นำไปถึงการแยกตัวเองออกอยู่แต่คนเดียวตามลำฟังใช้เวลาเดินวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นก็มนุษย์เราก็เดินได้ประมาณ25กิโลเมตรในทะเลทรายครับในที่สุดท่านก็พักอยู่ใต้ต้นซาก พี่น้องครับผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าต้นซากนั้นภาษาอังกฤษเรียก ว, ว่า juniper tree เป็นพุ่มไม้ในทะเลทรายสูงประมาณ12ฟุตรครับมีร่มเงาบ้างถึงไม่มากก็ตามพี่น้องครับจากความหวาดกลัวไปสู่ความระแวงแยกตัวแล้วก็ทอ้อแท้ ท, แท้อแท้อธิษฐานให้ตัวเองตายครับนั่นคือสภาวะการที่เรียกว่า depression ก็คือ ความซึมเศร้าเอลียาลืมบทเรียนต่างๆที่พระเจ้าประทานให้ที่ลำทานเคริดที่ซาไรฟัดที่คาร์เมลเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นมาไม่นานนักเอลียาลืมไปแล้วลืมบทเรียนที่พระเจ้าให้กับเขาเอลียาก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ดีไปกว่าบารรพบุรุษของตนแสดงให้เห็นว่าท่านไม่ได้ประสบความสําเร็จ ท่านคิดถึงว่าสิ่งต่างๆที่ทํามานั้นล้มเหลวไม่มีอะไรดีเลยแม้ว่าท่านขจัดบาอันออกจากดินแดนอิสราเอลไม่ได้แต่ว่าท่านได้ชัยชนะท่านได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าท่านได้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นโอบอุ้มเหนือชีวิตของท่านตลอดมาและความเหน็ดเหนื่อยหมดแรงท้อแทะนําไปถึงความซึมเศร้าครับเอ利亚คิด ฆ่าตัวตายอาธิษฐานขอให้ตนเองตายไปเลยแล้วท่านนอนลงและหลับไปช่างเป็นภาพที่น่าเสียดหูครับที่เกิดขึ้นกับผู้รับใช้ของพระเจ้าในข้อที่5ได้บรรยายว่าหลังจากที่เอลียาตื่นขึ้นโดยการสัมผัสแตะต้องของทูตสวรรค์ที่พระเจ้าส่งลงมาในบางตำราอธิบายว่าพระองค์ลงมาเองใน รูปของทุสวรรค์หลายครั้งทีเดียวครับในพระกัมพีได้บรรยายว่าพระเจ้าได้เสด็จมาพบกับคนของพระเจ้าโดยที่คนของพระเจ้านั้นคิดว่าเป็นทุสวรรค์ทุสวรรษนั้นก็ได้เชิญชวนชักชวนให้ท่านรับประทานขนมปังที่เพิ่งอบเสร็ จ, รจใหม่ๆที่ยังอุ่นอยู่กับน้ําเหยือกใหญ่ที่เตี๋ยมาด้วยพี่น้องครับใต้ต้นซากนั้นมีการส่งเรียงดู โดยการจัดเตรียมพิเศษของพระเจ้าใต้จนจูจ่ๆในเพอร์ทรีนั้นได้นํามาซึ่งความกระชุ่มกระชวยความเข้มแข็งของเอลยาอีกครั้งหนึ่งเอลยาก็รับประทานอาหารและกลับลงไปพักผ่อนอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับอีกครั้งหนึ่งก็เกิดขึ้นเหมือนกันก็คือทศวรรษก็ปลุกให้ท่านตื่นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ท่านหลับไปแล้วอาจเว้นระยะเวลาพอที่ท่านได้หลับไปเพื่อพักผ่อน ทูตสวรรค์ก็ชวนให้ท่านรับประทานอีกเพราะระยะทางที่เดินนั้นก็ไกลมากและท่านจะต้องมีกำลังพอครับนั่นหมายความว่าพระเจ้านั้นได้อนุญาตหลังจากที่ท่านหวาดกลัวหลังจากที่ท่านแยกตัวหลังจากที่เกิดความระแวงเมื่อมีความเหน็ดเหนื่อยเมืออ่อละเมื่อมีความหมดแรงเมื่อมีความรู้สึกท้อแท้เมื่อลืมบทเรียนต่างๆพระเจ้าต้องการให้เขาได้รับการฟื้นฟูได้รับการ จิมจากพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับไปทําพัตจิตของพระองค์จะสถานที่ที่พระเจ้าต้องการพบกับเขาส่วนตัวนั้นอยู่กลางทะเลทรายครับที่ภูเขาโอเรบภูเขาของพระเจ้าทูตสวรคชวนให้ท่านรับประทานเพราะระยะทางที่จะเดินนั้นไกลมากและต้องมีกํำลังพอซึ่งสถานที่แห่งนี้ครับโมเสสและชาวอิสราเอลเคยเดิน วนเวียนอยู่ในถิ่นธุรกันดานถึง40ปีและประทังชีวิตด้วยมานาที่พระเจ้าประทานให้40ปีแห่งการเดินวนเวียนอยู่เพื่อเรียนรู้ความสัตด์ซื่อของพระเจ้าในการดูแลเอาใจใส่พวกเขาชนชาติอิสราเอลนะครับพี่น้องครับประมาณไม่ต่ํากว่า2ล้านคนเดินวนเวียนอยู่ในทะเลทรายสีปีการทรงเลี้ยงดูการจัดเตรียมของพระเจ้านั้นต้องมากมายมหาศาลใช่ไหมครับคิดถึงน้ํา ิดถึงมานาต้องวันหนึ่งนะครับเป็นตันๆเลยหลายสิบตันหลายร้อยตันทีเดียวที่จะเลี้ยงคนสองล้านคนพี่น้องครับเมื่อเอลียามาถึงโฮเรบเขารับการเรียนรู้บทเรียนต่างๆจากพระเจ้าซึ่งเราจะพูดในวันพรุ่งนี้แท้จริงแล้วนะครับการเดินทางที่ไปที่โฮเรบนั้นจริงๆเนี่ย ประเมินกันว่าใช้เวลาเดินทางเพียงแค่14วันเท่านั้นนะครับระยะทางประมาณ320กิโลครับแต่พระเจ้าได้เตือนได้สอนเขาตลอดระยะเวลา40วัน40คืนนั้นจนกระทั่งท่านไปถึงภูเขาของพระเจ้าซึ่งพระเจ้ากำลังเปิดเผยพระองค์เองแต่เป็นสถานที่เดิมครับ ที่พระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองกับโมเสสและชนชาติอิสราเอลเป็นสถานที่เดิมที่พระเจ้าต้องการให้คนของพระเจ้านั้นได้มารับการเปิดเผยสัมแดงบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้าเป็นกรณีพิเศษและที่นั่นแหละครับเป็นที่ที่พระเจ้าได้ปาฐานพระสัญญาหรือพันธสัญญายิ่งใหญ่ให้กับชนชาติอิสราเอลสถานที่ก็สําคัญครับพี่น้องครับในการที่เราจะรับการฟื้นฟูแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ คำตรัสการสำแดงขององค์พระผู้เป็นเจ้าครับหลายหลาครั้งทีเดียวเราต้องการต้นซากหรือจูนิเปอร์ทรีที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะหลุดออกจากภาวะซึมเศร้าได้รับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าหลายหลาครั้งชีวิตของผู้รับใช้ต้องการภูเขาซีนที่พระเจ้าจะทรงเปิดเผยสำแดงพิเศษให้กับเขาเพื่อที่เขาจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่การที่เขานั้นไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้เหงา หงอยไม่ได้เปล่าเปลียวไม่ได้โดดเดี่ยวแต่ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยกับเขาคนเดียวพอแล้วครับพระเจ้าอยู่ด้วยกับเขาคนเดียวพอแล้วอามน